ใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราความสุขความทุกข์ใจเป็นความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขและความทุกข์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพาความสุขความทุกข์ที่เราได้รับจากใจเป็นความสุขความทุกข์ที่หนักที่สุดใหญ่ที่สุดมากที่สุดนั่นเอง อ, อยากจะได้ความสุขมากๆก็ต้องหาความสุขที่ใจ อ, อยากจะดับความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสก็ต้องมาดับความทุกข์ที่ใจ ดับความทุกข์ที่อื่นถึงแม้จะดับได้ถ้าไม่ได้ดับความทุกข์ทางใจก็เหมือนกับไม่ได้ดับความทุกข์เพราะความทุกข์ทางใจนี่มันมีกำลังมากมีน้ำหนักมากดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาจิตใจ ถ้าเรารู้จักดูแลรักษาจิตใจเราจะสามารถดับความทุกข์ของใจได้หมดและสามารถสร้างความทุกข์ของใจได้อย่างเต็มที่สิ่งที่จะมาควบคุมดูแลใจของพวกเราก็มี สติและปัญญาเป็นหัวห อ, อกของผู้ที่จะมาดูแลรักษาจิตใจด้วยการสนับสนุนของของศีลของฐานถ้าเป็นด้ามห อ, อกถ้าห อ, อกมีหัวห อ, อกก็คือสติปัญญาตัวด้าม ก็มีตัวทานตัวศีลเป็นผู้ให้การสนับสนุนหัวห อ, อกแต่ตัวสำคัญก็คือสติและปัญญาและปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการมีสติก่อนเห็นการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุดในการปฏิบัติธรรมนะการทำบุญทำทานการรักษาศีลก็เป็นผู้สนับสนุนให้ได้มีโอกาสมีเวลามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเมื่อเจริญสติได้ก็จะได้สมาธิ เมื่อได้สมาธิก็จะสามารถสั่งให้ใจคิดไปในทางปัญญาได้ถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติจะไม่สามารถสั่งให้ใจคิดไปในทางปัญญาใจก็จะคิดไปในทางอวิชชาในทางโลหะในทางความหลง ไม่คิดไปในทางความจริงถ้าคิดไปในทางความหลงก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจถ้าคิดไปในทางความจริงทางปัญญาก็จะดับความทุกข์ทางใจได้หมดนี่คือธรรมต่างๆที่จะมาคอย ดูแลรักษาใจให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆถ้าเราอยากจะรักษาใจให้มีความสุขให้พ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเจริญธรรมเหล่านี้เจริญธรรมไปตาม วาระตามโอกาสทำแต่ละชนิดนี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้ไปตามโอกาสเหมือนเวลาเราสร้างบ้านช่างไม้นี่จะมีเครื่องมือหลายชิ้นจะมีขวานมีมีดจะมีเลื่อยมีกบ มีค้อนมีขวานต้องใช้ให้เหมาะสมกับงานงานหยากก็ต้องใช้มีดใช้ขวานฟันไม้ไปก่อนแล้วค่อยเอาเลื่อยมาแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างมตัดให้เป็นขนาดตามที่ต้องการแล้วก็ต้องใช้ กบมาถากมาใสให้ไม้เรียบร้อย ừ, การทำบุญทำทานการรักษาศีลการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาก็เป็นเหมือนกับการใช้เครื่องมือในการที่จะมาตกแต่งใจให้เป็นใจที่สวย สะอาดงดงามใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนไม้ที่เพิ่งตัดมาจากต้นไม้ไม้ที่เราตัดมาจากต้นไม้ก่านจะมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้ต้องผ่านกระบวนการของการตัดการแต่งด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ จนถึงจะมาเป็นสิ่งต่างๆที่เราเอามาใช้กันเช่นมาเป็นตู้เป็นเตียงเป็นโตะ๊ะเป็นอะไรต่างๆก็เกิดจากต้นไม้ที่เราไปตัดมาตัดมาแล้วเราก็ต้องเอามาตัดมาแต่งมาทำอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ สิ่งที่เราต้องการใจของเราถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เราก็ต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตกแต่งใจของพวกเราดังนั้นเราต้องรู้จักว่าเครื่องม้เครื่องมือที่เรา ที่พระตถเจ้ามอบพมาให้กับเรานี้ควรจะใช้อย่างไรใช้กับสภาพใดเวลาใดถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวจะใช้ใช้ผิดแล้วจะไม่ได้ผลที่ต้องการเช่นช่างไม้ต้องต้องใช้ขวานอาไว้ถาก ต้นไม้แต่ไปเอากบใช้กบนี่มันก็จะไม่ได้ผลเวลาต้องใช้ขวานใช้มีดก็ต้องใช้ขวานใช้มีดเวลาต้องใช้กบก็ต้องใช้กบใช้ค้อนไว้ตีตะปูถ้าใช้ผิดประเภทก็จะไม่ได้งานที่ต้องการ ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกันก็เป็นเหมือนเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่เราจะเอามาตกแต่งใจเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือชนิดไหนเวลาใดเช่นการทำทานนี้ควรจะทำในเวลาใดออการทำทานนี้ก็ ควรจะทำในเวลาที่เราจะเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเช่นเอาเงินไปใช้กับอบายามุขต่างๆไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวเตยไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆการใช้เงินแบบนี้มันมาทำลายจิตใจ ไม่ได้มาตกแต่งจิตใจให้สวยงามถ้าเราจะเอาเงินไปใช้กับการทำลายจิตใจเราก็ต้องหยุดมันแล้ว เ, เอาเงินที่จะไปทำลายจิตใจนี้มาตกแต่งจิตใจเอามาทำบุญทำทานนั่นเองอยากจะไปเที่ยวหาความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่ไปได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขรู้สึกไม่สบายใจเที่ยวเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาไปเที่ยวก็สุขเวลากลับมาจากเที่ยวก็ไม่ ความสุขที่ได้ก็หายไปแล้วก็จะเกิดความอยากเที่ยวขึ้นมาใหม่อยากจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นมาอยากจะได้ความสุขใหม่มาเติมถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดความซึมเศร้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือการใช้เงินทองมาทำลายจิตใจไม่ได้เอามา เสริมสร้างจิตใจเสริมสร้างความสุขให้แก่ใจดังนั้นถ้าเรามีเงินทองที่เราจะไปใช้ในทางที่เสียหายต่อจิตใจเราต้องหยุดมันแล้วถ้าเราอยากให้เกิดความสุขใจจากเงินทองที่เรามีเราก็ต้องเอาไปทำบุญทาทานถ้าเราเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ มันก็ไม่ได้เกิดความสุขแต่อย่างใดนอกจากว่าเป็นเงินทองที่เราต้องเก็บสารองไว้เผื่อในอนาคตถ้าเกิดเราไม่สามารถหาเงินหาทองได้เราอาจจะต้องพึ่งเงินทองที่เราเก็บเอาไว้ให้อย่างนี้ก็ก็ต้องเก็บเอาไว้บ้างเพราะไม่มีใครรู้อนาคต ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้อาจจะมีความสามารถหาเงินหาทองมาใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นต่างๆได้แต่อนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะทะจะหาได้หรือไม่เสมอไปบางทีเศรษฐกิจตกต่ำอาจจะต้องตกงานไม่มีงานทำถ้าค้าขายอาจจะขายไม่ดี ขายแล้วขาดทุนขายแล้วไม่ได้กำไรไม่มีรายได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยเงินทองที่เรามีเหลือเก็บเอาไว้มาใช้สำรองแต่ถ้าเรามีเก็บไว้สำรองมากเกินไปถ้าอยากจะให้เงินทองให้ความสุขกับเราไม่ได้ให้ความทุกข์กับเรา เราก็ต้องเอาเงินทองไปทำบุญเพราะการทำบุญจะทำให้ใจเรามีความสุขเป็นความสุขที่ต่างจากความสุขที่ได้จากการเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะเป็นความสุขคนละแบบกันความสุขที่ทำที่ได้จากการไปเที่ยวเป็นความสุขที่ทำให้หิวทำให้อยาก เหมือนกับไม่ได้กินอะไรกินกินอาหารเสร็จแล้วเหมือนกับไม่ได้กินเพราะกินเสร็จปป๊บเดียวหิวขึ้นมาอีกแล้วส่วนการความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพ อ, อเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ถ้าไม่ได้ทำบุญอีกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าไม่มีเงินจะทำบุญก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่รู้ไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีความอยากเที่ยวอยากใช้เงินเนี่นี่คือ เครื่องไม้เครื่องมือชิ้นแรกที่พระตจ้าทรงสอนให้พวกเราที่มีเงินทองให้รู้จักใช้เงินไปในทางที่จะดับความทุกข์ให้กับใจและสร้างความสุขให้กับใจถ้าไมเราไม่รู้เงินทองที่เราหามาได้ท่าเป็นท่าตายกลับมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจ ทำให้ใจเราทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันถ้าเราใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยแบบสุรุ่ยสุร่ายซื้อกับสิ่งใช้กับสิ่งที่ไม่จาเป็นใช้ใช้กับความอยากมันจะใช้มากแลวมันจะหมดได้ง่ายแลวมันจะทาให้เราต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินทองมา ใช้อยู่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการไปทำบาปได้เพราะถ้าเราไม่สามารถหาเงินทองโดยวิธีที่ไม่ทำบาปได้เราก็า จ, จะต้องใช้วิธีทำบาปเพราะความอยากใช้เงินทองมันบีบคั้นจิตใจนั้นเองบีบคั้นให้คนไปทาบาปกันคนที่ ไม่มีความอยากใช้เงินทองนี้ไม่ต้องไปทำบาปแต่คนที่มีความอยากใช้เงินทองแล้วไม่สามารถหาเงินทองได้โดยวิธีไม่ทำบาปจึงต้องไปทำบาปกันที่เราได้ยินข่าวๆเรื่องของคนถูกจับเข้าคุกเข้าตารางด้วยการทำบาปนี่ก็เพราะมีความอยากใช้เงินทองมาก เราไม่สามารถหาเงินทองได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็เลยต้องไปทำบาปพอทําไม่ได้เงินทองแล้วมันจะตายมันจะทรมานมันจะทุกขนะ์แต่ถ้าเราไม่ใช้เงินทองไปกับการทำตามความอยากต่างๆใช้เงินทองไปกับความจำเป็นนะ การใช้เงินทองกับสิ่งที่จำเป็นนี้ไม่มีไม่เป็นอันตรายเพราะมันมีมันมีขอบมันมีขอบเขตมีกรอบเช่นใช้กับปัจจัยสีนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องมีกันแต่มันมีมันมีปริมาณมันมีขอบเขตไม่เหมือนกับการใช้เงินตามความอยาก มันไม่มีขอบเขตถ้าอยากแล้วมันจะมีแต่ขยายขอบเขตของความอยากให้กว้างขึ้นไปเรื่อยๆอยากคืบก็ไปเป็นศอกจากศอกก็ไปเป็นวาแต่ถ้าใช้ตามความจำเป็นตามเหตุตามผลนี้มันไม่มันมีกรอบของมันพอได้ครบที่ต้องการมันก็หมดมันก็หมดความจำเป็น เช่นอาหารก็ต้องมีอาหารรับประทานวันละสองสามมือ้อพอมีอาหารสองสามมือ้อเราก็จบไม่จําเป็นจะต้องมีสิบมือม้อยี่สิบมื้อแต่มันก็ยังต้องคอยระมัดระวังเพราะอาหารมันก็มีหลายราคาราคาถูกก็มีราคาแพงก็มี เัง น, นการจะบริโภคอาหารต้องดูที่ที่หน้าที่ของอาหารว่าอาหารมีหน้าที่ไว้ทำอะไรอาหารมีหน้าที่ไว้ทำให้ร่างกายอิ่มเวลาเกิดความหิวขึ้นมาก็ต้องรับทานอาหารกันทีนี้อาหารที่รับทานนี่ มันมีหลายราคาจำเป็นจะต้องกินอาหารราคาแพงๆหรือไม่อันนี้ถ้าเรากินเพื่อร่างกายกินตามความำทำหน้าที่ของอาหารก็ไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องกินอาหารแพงๆถ้าอาหารถูกกับอาหารแพงกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน ทำไมจะต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายาถ้ามันทำหน้าที่เหมือนกัน เ, เ, เสื้อผ้าก็แบบเดียวกันเสื้อผ้ามันก็ทำหน้าที่ของการหุ้มห่อร่างกายรักษาปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศหนาวเย็นมือจากมะเังสัตว์กัดต่อย เสื้อผ้าแพงๆกับเสื้อผ้าถูกๆมันก็ะทำหน้านที่ได้เหมือนกันถ้าเราอยากจะใช้ของแพงๆมันก็กลายเป็นความอยากขึ้นมาถ้าใช้ตามความอยากมันก็จะไม่มีขอบมีเขตนะี่เพราะเสื้อผ้ามันมีก็มีหลายระดับมีหลายราคาจากชุดนาร้อยเป็นชุดละหมื่นชุดละแสนก็มี ถ้าใช้ตามความอยากเดี๋ยวก็เกิดปัญหาเงินทองไม่พอใช่ก็จะต้องวุ่นวายใจไม่สบายใจแล้วเวลาถ้าเคยใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆพอไม่ได้ใส่ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาไม่สุขใจอาหารก็เหมือนกันกลรกินอาหารราคาแพงๆ กินตามโรงแรมกินตามร้านอาหารเนมันก็ถ้าต้องมากินตามข้างถนนมันก็จะรู้สึกเอไม่มีความสุขอาหารข้างถนนกับอาหารในโรงแรมมันก็กินแล้วก็อิ่มเหมือนกันอถ่ายออกมาก็เป็นอุจจาระเหมือนกันเอไม่มีใครต้องการเหมือนกันไม่ใช่ว่าเวลาถ่ายมาบอกเขาว่านี่อาหารมาจากโรงแรมฮ ใครอยากได้มาเอาไปได้ไม่มีใครต้องการเหมือนกันนี่คือถึงแม้จะใช้เงินกับสิ่งที่จาเป็นก็ยังต้องระวังเพราะว่าความอยากตัวที่จะมาคอยสร้างความวุ่นวายใจตัวที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้ต้องดินน้นรนหาอะไรต่างๆมามาให้นี่มันจะ มันจะแผลงฤทธิ์มันจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราจึงต้องอใช้เหตุผลในการใช้เงินใช้ทองใช้กับปัจจัยสี่มันก็มีเหตุผลของมันอาหารก็มีไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินแล้วอิ่มก็ใช้ได้อาหารข้างถนนอาหารในโรงแรมอาหารในพัตตะคาร มันก็เป็นอาหารที่ทำให้กินแล้วอิ่มเหมือนกันถ้าคนฉลาดก็กินอาหารที่ถูกดีกว่าเรื่องอะไรไปซื้อของแพงเมืเม่อกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ทำไมคนเราถึงยอมเสียเงินเสียทองกับของที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันก็เพราะความอยากความหลง ไม่มีปัญญานั่นเองไม่ใช้เหตุผลใช้อารมณ์ใช้ตามความรู้สึกถ้าเคยรู้สึกใช้ของแบบนี้มันก็จะติดมันก็อยากจะใช้ของแบบนี้ถ้าไม่ได้ใช้ของแบบนี้มันก็จะรู้สึกไม่ไม่สุขกินอาหารเคยกินอาหารแบบนีก้ก็อยากจะกินอาหารแบบนี้ พอไม่ได้กินอาหารแบบนี้มันก็ไม่สุขใครกินตามพัตตาคารใครกินตามโรงแรมต้องมากินข้างถนนมันก็จะไม่มีความสุขจากการกินอาหารแต่ร่างกายมันได้รับประโยชน์เหมือนกันแต่มันจะมาบีบคั้นจิตใจเพราะถ้าต้องใช้เงินทอง ม, มาก มันก็ต้องบีบคั้นให้จิตใจต้องไปหาเงินทองมาใช้อยู่เรื่อยๆก็จะต้องวุ่นวายมากวิตกกังวลมากเพราะเงินทองมันไม่ได้มันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าจะหามาได้อยู่เรื่อยๆวันนี้อาจจะหาได้แต่พรุ่งนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วตัวร่างกายเองถ้าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมา ก็อาจจะไม่สามารถไปหาเงินทองอย่างที่เคยหาได้เนี่นเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีพิเกิดเป็นพิกงพิการไปหรือตกงานเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ไม่ดีถ้ายังเคยใช้เงินแบบเดิมไม่หยุดใช้เดี๋ยวก็ต้องไม่มีเงินพอใช้ ก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เงินมาใช้ตามที่เคยใช้พอทำบาปเดี๋ยวก็เกิดต้องไปถูกจับลงโทษต่อไปเป็นข่าวกันเห็นไหมเนี่ยพวกที่เป็นข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็พวกที่ใช้เงินแบบไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็เลยต้องไป หาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกศีลธรรมแล้วก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปนี่คือทำไมเราจึงต้องมาทําทานกันเพราะว่าการทําทานนี้เป็นการใช้เงินที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจให้ความสุขกับใจ ไม่เหมือนกับการใช้เงินทองตามความอยากใช้เงินทองตามความอยากจะให้แต่ความทุกข์จะให้แต่ความวุ่นวายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำทานกันถ้าเราอยากจะใช้เงินให้เกิดความสุขถ้าเราไม่อยากจะใช้เงินเพราะเรากลัวอนาคตเราจะอดตายก็เก็บเอาไว้เฉยๆก็ไม่เป็นปัญหา เงินทองที่หามาได้ถ้าเก็บไว้มันก็ไม่เกิดโทษแต่มันก็ไม่เกิดคุณเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดคุณไม่เกิดโทษถ้าเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆก็จะเกิดโทษกัจิตใจถ้าเอาไปใช้กับการทาบุญก็จะเกิดคุณกับจิตใจคุณก็คือจะได้ความสุขใจอิ่มใจเวลาที่ได้ทาบุญทาทาน แล้วก็มีอันที่สองมีประโยชน์หลายอย่างที่เราไม่รู้กันประโยชน์ที่เรารู้กันก็ขณะที่เราทำนี้เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจแต่เราไม่รู้ว่ายังมีประโยชน์หลายอย่างตามมาประโยชน์ที่จะตามมาตอนที่ร่างกายเราไม่มีแล้วอันนี้เราไม่รู้ ว่าบุญนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ใจเราได้ไปสวรรค์กันแล้วหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่บุญที่เราทำไว้นี่ก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารกลับมาแล้วเราก็จะมีเงินรอเราอยู่เหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารมันจะรอเราอยู่รอให้เราไปเบิก เวลาที่เราต้องการใช้เราก็ไปเบิกเงินทองในธนาคารได้เวลาที่เรากลับมาเกิดเราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่ดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เคยเล่าว่าท่านเคยเป็นพระเวชสันดอนชาติก่อนท่านเคยเป็นเวชสันดร พระเวชสันดรก็ชอบทําบุญชอบทําทานชอบให้ชอบให้คนอื่นมีความสุขไม่ชอบให้คนอื่นมีความทุกข์ก็จะมีแต่ทําบุญมีจตวักษาสาศีนพอตายไปดวงวิญญาณของพระเวชสันดรก็ไปอยู่ในสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิด ก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเออเพราะเคยทําบุญไว้มากบุญก็รอรอต้อนรับเจ้าชายอาพระเวชสันดรที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอพ่อก็สร้างประสาทให้อยู่ถึงสามหลังด้วยกันเออ ให้มีนางสนมกำนันมีบริสัทบริวารคอยรับใช้อย่างเต็มที่มีเครื่องอำนวยความสุขในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆอันนี้เกิดจากการทำบุญทําทานในทางตเงกันข้ามถ้าไม่ทำบุญทําทาน และไม่รักษาศีลเพราะว่าต้องหาเงินมากต้องเพาะใช้เงินมากหาเงินก็หาโดยวิธีทุจริตทำบาปตายไปนี่ก็จะเป็นเปรตเปรตก็คือขอทานทางจิตตวิญญาณ ดวงวิญญาณที่ออกจากร่างไปที่ไม่มีบุญก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปต่างประเทศที่ไม่มีเงินติดตัวไปหรือออกจากบ้านคนออกจากบ้านถ้าไม่มีเงินทองติดตัวไปจะต้องทาอะไรก็ต้องไปขอเขาสิข อ, ขอคนนั้นขอคนนี้เป็นขอทานไป ที่พวกเราอุทิศบุญนี่ก็อุทิศให้พวกที่เวลาที่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ทำบุญทำทานทำแต่บาปนี่เองฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่เราทิศไปนี้เราแทบจะไม่ต้องอุทิศให้เขาก็ได้เพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวพุทธเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำบุญทำทานรักษาศีลกันทั้งนั้น ทำไมเรารู้ก็บพวกเขาเขาสอนให้เราทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้เราทำบุญทำทานสอนให้เรารักษาศีลกันแล้วเราก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำบุญทำทานรักษาศีลกันอย่างสม่ำเสมออย่างนั้นเวลาเขาตายไปเขาไม่ได้มาเป็นขอทานมาคอยมาขอส่วนบุญจากพวกเราเหรอกที่พวกเราทำไว้ก็เผลอไว้ เผ่อถ้ามันพลาดไปเผื่อเขาทำบาปมากกว่าทำบุญเ้าอาจจะต้องมาขอส่วนบุญจากเราก็ได้เราก็อุทิศไปได้อแต่การทำบุญเนี่ยที่แท้จริงนี้เราทำบุญเพื่อตัวเรามากกว่าเราทำบุญเพื่อที่เวลาเราตายไปเราจะได้มีบุญติดตัวไปเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นขอทานมาขอส่วนบุญของผู้อื่นน ถ้าเราใช้เงินไปกับการทำบุญทำทานใช้เงินไปกับการกับซื้อของที่จำเป็นนี่แล้วไม่ใช้เงินกับการตามความอยากต่างๆนี่รับรองได้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินหาทองกันเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นเราสามารถทำงาน แบบทําอะไรก็ได้ก็พอที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สามทํางานเงินเดือนขั้นต่ําวันละสามร้อยกว่านี้ก็อยู่ได้นะจึงไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําบาปแต่ถ้าเราใช้เงินมากด้วยความอยากนี่มันจะต้องทําให้เราต้องไปหาเงินด้วยการทําบาป ตายไปเราก็เลยต้องไปใช้กรรมไปเป็นขอทานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้เงินทองแล้วเวลากลับมาเกิดก็เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนายากจนเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินในธนาคารนั่นเองไม่เคยทำบุญเวลาที่มีชีวิตอยู่ เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปซื้อของอะไรต่างๆตามความอยากพอเลยไม่มีเงินมาทำบุญทำทานตายไปก็เวลากลับมาเกิดก็กลับมายากจนอาภัพวาสนาอนนี่คือเรื่องทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำบุญเป็นการ ดูแลจิตใจให้ไม่มีความทุกจากการใช้เงินใช้ทองจากการหาเงินหาทองให้มีแต่ความสุขจากการใช้เงินใช้ทองจากการหาเงินหาทองหาเงินทองโดยวิธีสุดจริตไม่ทำบาปนีม้มีความสุขหาได้มากได้น้อยไม่ทำบาปแล้วสบายใจ ถ้าหาเงินโดยวิธีทำบาปนี้ไม่สบายใจได้มามากได้มาน้อยไม่สบายใจจะมีความหวาดระแวงหวาดกลัวเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะพอมีนกมีอะไรมาเกาะที่แผ้หน่อยมาจิกที่แพ้หน่อยก็จะเจ็บปวดขึ้นมาแต่วัวที่ไม่มีแผ้นี่นกจะมาเกาะมา มาจิต ก, ก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดใจที่ไม่ได้ทำบาปก็เป็นเหมือนใจที่ไม่มีแผลเมื่อไม่มีแผลอะไรจะมาแตะใจใจก็ไม่รู้สึกทุกข์แต่ถ้ามีแผลนี่อะไรมาแตะหน่อยเห็นตำรวจเดินมาหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเห็นคนเขาพูดอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับคนทำบาปคนทำผิดกฎหมาย ก, ก็ไม่สบายใจแล้ว ท, ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนทำแต่เรารู้อยู่ภายในใจของเราเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีคนเขาจับได้เขาจะต้องรู้มันจึงทำให้เราไม่สบายใจกันดังนั้นถ้ามีอยากจะใช้เงินใช้ทองขอให้ใช้ในทางที่ไม่เกิดโทษอย่าไปใช้กับความอยากต่างๆ ให้ใช้กับความจำเป็นความจำเป็นก็ต้องมีปริมาณมีมีประมาณมีความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน้อยไปก็เกิดโทษได้เช่นประหยัดมากกินอาหารแบบอดอดอยากๆยาเสียดายเงินอันนี้ก็เกิดโทษกับร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่ได้หารพอเพียง กินมากเกินไปก็เกิดโทษกับร่างกายได้น้ำหนักเกินเดี๋ยวก็โรคภัยต่างๆก็ตามมาร่างกายที่เคยมีสวดมีทรงก็กลายเป็นตุ่มไปอ่าอันนี้ก็รับประทานอาหารตามความอยากนี่มากเกินไปร่างกายบอกว่าอิ่มแล้วแต่ใจยังอยากกินต่อ ก็เลยยัดเข้าไปเขาไม่เรียกว่าก <they> ินนะถ้าอิ่มแล้วยังกินต่อนี่เขาไม่เรียกว่ากินนะเขาเรียกว่ายัดเพราะมันต้องยัดเข้าไปร่างกายมันไม่ต้องการเราเลยต้องยัดมันเข้าไปร่างกายมันก็เลยพองขึ้นมากลายเป็นตุ่มขึ้นมากลายมีส่วนสองหน้าดูน่ารักก็เลยกลายเป็นตุ่ม ดีไม่ดีเดี๋ยวเสียคนรักไปแฟนที่เคยรักเราปองกุมไม่เอาอยู่กระตมไม่อยู่ดีกว่าไปหาของที่มีสวดมีทรงดีกว่าเนี่ยระวังไม่เถิดคนที่ชอบกินมากๆากกินตามความอยากเดี๋ยวจะเสียของที่รักไปเสียแฟนไปเสียสวดทรงไปเสียความสวยงามไปเราได้ ไัเข้ามาได้โทษเข้ามาได้ความดันเข้ามาได้เบาหวานเข้ามาได้ไขมันอุดตันเข้ามาได้โรคเกาโรคอะไรต่างๆเข้ามาโรคต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากกินอาหารตามความอยากทั้งนั้นทั้งกินตามความอยากแล้วมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอนะ นี่คือเครื่องมือชิ้นแรกที่พระพุทธเจ้าให้มอบให้กับพวกเราที่ใช้เงินใช้ทองกันหาเงินหาทองกันให้ใช้เงินถูกวิธีให้หาเงินถูกวิธีถ้าใช้ถูกหาเงินใช้เงินถูกวิธีก็จะหาเงินถูกวิธีแต่ถ้าใช้เงินผิดวิธีมันก็จะบังคับให้ไปหาเงินผิดวิธีต่อไปต้องไปทำบาป น้ําเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถที่จะแต่งใจในระดับที่สองได้คือแต่งใจด้วยศีลนีเ่เหมือนกับไม้ที่เรามาตัดตอนต้นเราก็ต้องใช้ขวานใช้อะไรมาถากมันก่อนใช้มีดแล้วค่อยมาใช้มีดมาแต่งมันเราใช้เลื่อยมาตัดให้เป็นชิ้นเป็นอะไรตามที่เราต้องการมันเป็นเครื่องมือที่ต้องผ่านเป็นขั้นเป็นตอนกันไป การแต่งใจที่อยากก่อนแรกก็แต่งด้วยการทําบุญทําทานเพราะใจที่ทําบุญทําทานนี้จะเกิดมีความเมตตาขึ้นมาคนที่ทําบุญทําทานนี้จะอยากให้คนอื่นมีความสุขเราจึงทําบุญทําทานกันเพราะการทําบุญทําทานทําให้คนอื่นเขามีความสุขนั่นเอง แล้วพอเขามีความสุขเราก็มีความสุขราจะทำให้เราเวลาเราอยากจะได้อะไรอยากจะได้เงินทองอยากจะได้อะไรเราก็จะไม่หามาโดยวิธีที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายก็จะทำให้เราสามารถรักษาสินได้อย่างง่ายดายเพราะใจเราไม่อยากจะทำร้ายใครอยู่แล้ว เวลาจะหาเงินหาทองหรือหาอะไรอยากได้อะไรก็จะคิดถึงผลกระทบต่อผู้อื่นทันทีถ้าเห็นว่าทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็ไม่เอาดีกว่าไม่ทำดีกว่าเมื่ออยากเป็นเวรเป็นกรรมกับใครนั่นเองการทำบาปนี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างศัตรูไม่ใช่เป็นการสร้างมิตร อยู่อย่างมีศัตรูมีมีเวรมีกรรมนี้อยู่อย่างไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขนี้ต้องอยู่แบบไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีศัตรูวิธีที่ไม่มีศัตรูก็คือนี่แหละอย่าไปทำบาปอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอยากจะมีมิตรก็ทําบุญทําทานไป การนำบุญทำทานนี่แเป็นการสร้างมิตรจะมีมิตรมีเพื่อนจะมีคนคอยดูแลช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอ น, นิสงส์ของการผู้ที่มีบุญผู้ที่มีจิตเมตตาว่าจะอยู่เป็นสุขเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองปกป้องรักษาจะมีหน้าตาผิวพรรณที่แจ่มใสผ่องใสจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเวลาจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะสงบได้ง่าย ตายไปถ้ายังไม่ไปถึงนิพพานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ น, นี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการทําบุญทําทานนักษาศีลประโยชน์จะได้ก็คือตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุ ร, รกายไม่ต้องไปตกนรก อยู่ก็ไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีกรรมกลับมาเกิดก็ไม่อาภัพวาสนาไม่พิกลพิการไม่หูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดนี่ก็เป็นส่วนของอนิสงส์ของการทำบาปเวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดอาภาัพวาสนายากจนแร้งแขน อาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นเนี่ยนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปแล้วอยู่ก็อยู่อย่างวุ่นวายใจไม่มีความสุขถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องอยู่แบบมีศีลมีศีลแล้วก็จะอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องหวาดกลัวกับโทษที่ จะตามมาจากการทำบาปนะอันนี้ก็เครื่องมือชิ้นที่สองที่เราจะเอามาใช้ในการดูแลรักษาใจให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความสุขมากขึ้นคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี้ความรู้สึกทางจิตใจจะต่างกันคนมีศีลนี้จะสบายใจกว่าคนที่ไม่มีศีล คนที่ไม่มีศีลนี้จะทุกข์มากกว่าคนที่มีศีลอ่า น, นีก่ก็เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งศีลนี้ก็คือศีลห้าอไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆออันนี้คือวิธีรักษาใจให้มีความสุข ให้ไม่ให้มีความทุกจากการการะทําทางกายทางวาจาแต่ศีลก็ยังไม่พอในการที่จะทำให้ใจไม่มีความทุกโดยสิ้นเชิงอาจจะไม่มีความทุก์ที่เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาแต่ยังมีความทุก์ที่เกิดจากการกระทําทางใจอยู่คือความคิดต่าง ความยากต่างๆความโลภความโกรธความหงต่างๆยังไม่ได้รับการกำจัดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ที่ยังมีเหลืออยู่จากการทำทานจากการรักษาศีลก็ต้องมาภาวนาอันนี้เป็นเครื่องมือชิ้นที่สามที่พระเจ้าบอกที่เราจะต้องเอามาใช้ ในการดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจําเป็นจะต้องมีมีการภาวนาคือมีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เองที่เป็นหัวหอกขอ ง, เ ค, องเครื่องมือในการที่จะมาดูแลรักษาใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยต้องอยู่ที่การมาเจริญสติสมาธิปัญญาวิธีเจริญสติสมาธิปัญญาก็คือการภาวนาสมถภ า, าวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญา แต่การจะมาภาวนาได้ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะถ้าไม่มีศีลแปดก็จะไม่มีเวลามาภาวนาถ้ารักษาศีลห้านี่ยังไปนอนกับแฟนได้แทนที่จะ เ, เวลามาภาวนาขอนอนกับแฟนก่อนคืนนี้คืนนี้ไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิไม่วิปัสสนา แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วห้ามห้ามนอนกับแฟนบังคับให้ภาวนาอย่างเดียวจะกินข้าวเย็นก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวมันก็ง่วงนอนไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอนก็ห้ามไม่ให้กินข้าวเย็นให้กินแค่เที่ยงวันก็พอกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูหนังดูละครอยากจะออกไปเที่ยว ถ้าถือศินแปดก็ไปไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้ใส่เพื่อใส่เสื้อผ้าอาภรรท์ที่สวยงามก็ไม่ได้ให้ใส่แบบธรรมดาใส่เพื่อปกปิดร่างกายก็พอไม่ต้องมาทุ่มเทเสียเวลากับการตกแต่งร่างกายด้วยการใช้เครื่องสำอางใช้น้ํามันน้ําหอมการทําเผาทําผมะ การมีเสื้อผ้าสีสันแปลกๆต่างๆมาสวมมาใส่มันเป็นการหาความสุขปลอมเป็นการหาความสุขชั่วคราวเดี๋ยวๆให้เอาเวลามาหาความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดดีกว่าก็คือเอาเวลามาภาวนาเอาเวลามาเจริญสติ การยยยจัดราสตินี่ก็ต้องมีเวลาไม่ยุ่งกับใครไม่ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ไปนอนกับใครไม่ไปรับประทานอาหารเย็นไม่ไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปอยู่ตามที่สงบเช่นตามวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการปฏิบัติ อย่ไปอยู่ตามวัดที่มีหมอหอรอศพบันเทิงหรือมีมีกิจกรรมเช่นงานศพงานอะไรต่างๆพอมันจะมีเสียงกึกกึกโครมจะไม่สงบจะยากต่อการเจริญสติการจะเจริญสติการจะภาวนาจําเป็นที่ต้องไปปีกวิเวกไปหาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ไปอยู่ที่สงบสงัดไม่มีคนพลุกพลาดอยู่คนเดียวถ้าอยู่ในวัดก็ไม่คุกคีกันแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ที่ของตนจเจรานสติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้ามีถ้าไม่ไม่มีสตินั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้นานนั่งเดี๋ยวเดียวก็จะรู้สึกอึอดอดัดรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมามก็จะนั่งไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรควบคุมความอยากที่อยากจะไปทำอะไรต่างๆพอนั่งเฉยๆความอยากมันก็เป็นเหมือนกับความดันในในใจมันจะรู้สึกจะดันให้ใจรู้สึกอึดอัดเปียบเหมือนกับกาน้ากาที่เราต้มน้ำนี่ถ้าเราปิดดูไว้นี่เดี๋ยวเวลามันร้อนขึ้นมาเนี่อไอไอมันก็จะพยายามดัน ถ้าปล่อยมันไปนานๆเดี๋ยวมันก็ดันฝาเฟ้ออะไรที่อุดไว้ให้หลุดออกมาอันนี้ความอยากก็เป็นเหมือนกับความร้อนของน้ำในกานี่เองเอาถึงต้องมีรูไว้ระบายไม่ให้ความร้อนมันมันกดดันฉันใดสติก็เป็นเหมือนตัวที่จะมาระงับความร้อน ถ้ามีสติเราจะสามารถควบคุมความอยากได้ละงับความอยากได้พอไม่มีความอยากไม่มีความคิดนั่งแล้วจะรู้สึกไม่อุดอัดไม่รู้สึกทุกตรงนั้นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้ถึงแม้มันจะเจ็บก็ทนได้ไม่เดือดร้อนไปกับมันอันนี้ก็คือการมา ตบแต่งใจมาสร้างความสุขใจด้วยการทำใจให้สงบใจจะสงบได้ต้องหยุดความคิดหยุดความอยากความอยากมันตามมาตามความคิดมามันต้องคิดก่อนมันถึงจะอยากคิดถึงขนมมันถึงจะอยากกินคิดถึงแฟนมันถึงอยากจะไปหาแฟนถ้าไม่ได้คิดมันก็จะไม่มีความอยาก เราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดให้มันคิดอยู่ในเรื่องที่ทำให้ไม่อยากเช่นเริ่มต้นยังยังใช้สติสร้างสติด้วยพุโทโธไม่เป็นเขาก็สอนให้สวดมนต์ไปก่อนให้สวดมนต์ไปยาวๆสวดไปนานๆเวลาสวดมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าตั้งใจสวดจริงๆ เพราะถ้าสวดมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ถ้าสวดแบบไม่มีสติมันก็ยังคิดได้ปากสวดไปแต่ใจมันไปคิดถึงแฟนไปคิดถึงขนมสวดแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะสวดให้เกิดประโยชน์นี่ต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียวอย่าให้สวดแต่ปากแล้วใจก็ไปอยู่เรื่องอื่นไม่คิดถึงเรื่องอื่นต้องให้ใจอยู่กับการสวด ปากสวดอย่างไรใจก็ต้องสวดตามไปถ้าไม่สวดก็ใช้พุทธโธก็ได้ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเนี่ยถ้าต้องการควบคุมความคิดถ้าต้องการให้ใจมีสติหยุดความคิดหยุดความอยากได้ต้องเจริญพุทธโธไปทั้งวันทั้งคืนให้คิดให้น้อยที่สุดน การจะมาเจริญสติได้จึงต้องไม่ไปทำงานไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะถ้าถ้าต้องไปทำงานมันต้มันก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการมันก็จะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องคุยกันต้องมีอะไรกันก็ต้องคิดเนี่ยถ้าไม่อยากจะคิดนี่ต้องไปอยู่คนเดียวแล้วก็จะได้มีเวลา ที่จะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้พุทโธก็เหมือนกับสวดมนต์เวลาพุทโธใจก็ต้องอยู่กับพุทโธไม่ใช่พุทโธไปแล้วก็ปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่ามีสติจะมีสติใจต้องอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่แบ่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าแบ่งแล้วใจมันก็จะไม่หยุดคิดนั่นเอง จึงต้องพันพยายามหัดเจริญสติแบบถูกต้องสำ ม, มาสติคือให้มีใจอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็แวบไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ดีไม่ดีเผอ่ไปแบบไม่กลับเลยคิดไปต้องเป็นหลายนาทีกว่าจะนึกได้ว่าโอ๊ยไม่ได้พุโทโธเลยเนี่ยวากําลังคิดถึงคนนั้นคนนี้ละ ถ้าพุโทโธถ้าเป็นสติจริงๆนี้จะไม่ไปถ้าไปก็เพราะถ้าไปก็จะรู้ทันทีว่าไปแล้วกลับก็ดึงกลับมาเดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถควบคุมความคิดด้วยพุโทโธได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะหยุดคิดใจก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้พอเข้าสู่สมาธิใจก็จะนิ่งใจอิ่ม จะเกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้แหละคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการเรามาเจริญบุญกรรมพุทโธพุทโธกัน ยึดควบคุมความคิดควบคุมความอยากกันนั่งสมาธิทำให้ใจนิ่งสงบไม่คิดไม่ปรุงไม่อยากแล้วตอนนั้นจิตก็จะเหมือนได้ไปพานิพานแต่เป็นนิพานชั่วคราวเพราะเดี๋ยวกำลังของสติที่ส่งใจเข้าไปหมดกำลังความอยากมันก็จะดันใจออกมานานให้ออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอจากสมาธิมาถ้าต้องการที่จ ะ, ะกำจัดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเวลาอยากกินกาแฟก็ต้องถามว่ากินทำไมนั่งกายไม่กินกาแฟตายไหมตั า, างกายต้องการน้ำก็กินน้ำเปล่าๆก็ได้ไม่ต้องมีรสกาแฟมาผสมด้วยให้เวลากินอะไรให้ใช้เหตุผลอย่าใช้ความอยาก ถ้าใช้ความอยากแล้วดื่มน้ำปาปล่าๆไม่ได้ดหลืองน้ำปาป่าๆมันไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีสีไม่มีกลิ่นนั่นเองอการเสบรสชาติการเสบสีเสบกลิ่นก็คือดิเลตเนี่ความอยากที่เรียกว่ากามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟไม่ใช่ความอยากดื่มน้ำถ้าความเหยืกอยากดื่มน้ามันเป็นความจำเป็น ที่ต้องให้ร่างกายมีน้ำกะน้าหล่อเลี้ยงดื่มน้าเปล่านี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษไม่ใช่เป็นความอยากถ้าดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเนี่ยเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาความอยากที่เราต้องใช้ปัญญามากำจัดมันเพราะถ้าเราไม่กำจัดมันมันจะลามปามไปเรื่อยๆมันจะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ และเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันจะทรมานใจมันจะทุกข์ใจนั่นเองนี่คือปัญญาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เป็นคุณมันไม่ได้เป็นตัวสร้างความสุขให้กับใจมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจทุกครั้งที่เกิดความอยากถ้าเราสามารถเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นให้ฝืนความอยากให้หยุดความอยากได้ ต่อไปความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปจะไม่กลับมารบกวนใจใจก็จะอยู่อย่างสงบสบายที่เราอยู่กันทุกวันที่ไม่สงบไม่สบายก็เพราะความอยากต่างๆนี้เองเดี๋ยวก็อยากได้นั่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เดี๋ยวก็อยากจะไปโ น, น่นเดี๋ยวก็อยากจะมานี่เดี๋ยวก็อยากให้คนนั่นก็เป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้น ใจก็วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอพอได้แล้วก็อยากได้อีกเนี่ยแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจโกรธขึ้นมาอีกเนี่ยอันนี้แหละเป็นปัญหาของใจคือความอยากต่างๆที่เราต้องมากําจัดมันขั้นต้นต้องหยุดมันก่อนหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยสติ พอหยุดมันได้แล้วทีนี้พอมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทําตามความอยากอีกต่อไปเนี่ถ้าเราเห็นโทษแล้วเราก็จะไม่ทําเช่นถ้าเราเห็นว่างูนี่มันเป็นอันตรายเราก็จะไม่เข้าหางูะ แต่ถ้าเราเป็นเด็กไร้เดียงสาล้วอาจจะไม่รู้ว่างูเป็นอันตรายก็ได้เราก็อยากจะไปเล่นกับมันขึ้นมาก็ได้แต่พอมีแม่ ม, มีพ่อมีพี่มีน้องมาบอกกิดกัดแล้วตายนะไปเล่นกับมันโดนมันกัดตายนี่ต่อไปไม่กล้าไปเล่นกับมันนะเพราะเรารู้โทษของมันนะฉันไดเราต้องมีปัญญาให้เห็นโทษของความอยากให้ได้ให้เห็นว่าการไปยุ่งกับความอยาก ไปเกี่ยวข้องกับความอยากมีแต่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอย่างไม่มีวันจบสินนะ้นและถ้าเราเชื่อพร ะ, ะพุทธเจ้าความอยากนี่แหละที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาทุกข์มาวุ่นวายใจกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เราก็ต้องอย่าไปทาตามความอยาก ทุกครั้งที่เรามีความอยากเราก็อย่าไปทำมันถ้ามันทรมานใจก็กลับเข้าสมาธิไปถ้าเราเคยเข้าสมาธิแล้วเราเข้าก็เรากลับเข้าไปได้ทุกครั้งที่เราต้องการพอเกิดความอยากขึ้นมามันทรมานใจก็พุโทโธพุโทโธไปพอหยุดความคิดหยุดความอยากใจก็สงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำตามความอยาก ต่อไปเราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดเพราะเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดแก่เจยบตายก็หมดไปเพราะใจมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบสงบไปตลอดนี่แหละคือวิธีการดูแลรักษาใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากความทุกข์ต้องทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำคือทำทานรักษาศีลภาวนาเจริญสติสมาธิและปัญญาแล้วใจจะมีแต่ความสุขปราศ จ, จากความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติอิจิตังปะทิตังตุมหังค um ิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยาถามณีโชติ อาลาโสยทาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโรทัมมาวะทานติอายุวนโนสุขังภาลางวันนี้สัญญาณเป็นยังไงการถ่ายทอดติดขัดไหมเรียบร้อยดีค่ะเรียบร้อยนะมือใหม่หัดขับต้องถามหน่อย <c oughs> มือเก่าตอนนี้เขาไปท่องเที่ยว <c oughs> เป็นบรรยากาศนมาทำทุกวันไม่ได้หยุดกันอย่างนี้ต้องเทรนคนใหม่ไว้สำหรับสำรองเดี๋ยวเกิดคนหนึ่งเป็นอะไรไปจะได้มีคนมาทดแทนกันใหม่ๆก็อาจจะขาดตกบกพร่องบ้างเพราะยังไม่รู้จุดไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตรงไห น, น ท่านที่ติดตามทางบ้านก็มีอะไรก็ใจเย็นๆช่วยส่งข่าวมาบอกก็แล้วกันเพราะบางทีฟัง่งเรารูปภาพหายไปเสียงหายไปก็ช่วยส่งข้อความเข้ามาให้เขาดูว่าบางทีเขาไม่รู้ที่นี่ว่ามันมีการติดขัดแต่บางทีมันก็อาจจะติดขัดทางคลงทางของผู้รับเพราะมันมีหลาย ส่วนด้วยกันในการรับส่งข้อมูลอาจจะเป็นที่ต้นทางอาจจะเป็นที่ปลายทางอย่างนั้นก็ต้องทดสอบกันทั้งหลายๆด้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วค่ะวันนี้ทางเฟ c e b o o สา1ร้อยสิบเอ็ดค่ะทาง y o u ู u หนึ่งรอยแปดสิบสองทางวิทยุออนไลน์ส5สิบห้าและผู้รับฟังบนขา 33, ่าวสามสิบสามรวมทั้งหมดห้าร้อยเจ็สิบเอ็ดคนค่ะวันนี้ฝนตก คนน้อยน้อยหน่อยปกติเกินหกร้อยขึ้นไปทุกวันหรือวันนี้เป็นวันสุดสั ป, ปดาห์หรือเปล่าคนเริ่มออกเดินทางก็ถ้ามีคำถามเดี๋ยวจะส่งใหม่ไปให้เดี๋ยวขอไอโฟนส่งไห้คุณโยมไปเนี่ยนั่งที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยพูดใกล้ๆปากหน่อยอย่าดังเสียง ผมอยากถามว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเรามองเห็นตัวเองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับนั่งไม่ถูกสิอย่าไปมองให้มองดูลมให้อยู่กับพุโทโธไ ม, มต่ตอนตอนตอนที่เรานั่งเนี่ยเรามีความรู้สึกที่เราปวดขามากในในขณะนั้นเราเร า, เราก็บอกว่าอันนี้คือใช่ขาของเราหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ผมก็ดึงจิตกลับมาพอพอเราดึงจิตกลับมาปุ๊บความปวดนั้นหายไปอครับแล้วตอนนี้ก็คือแล้วมันเหมือนกับผมมีร่างอยู่สองร่างที่มองเห็นตัวเองก็ตอนนี้ก็มีสองร่างตอนนี้คุณก็เห็นร่างกายของคุณเหมือนกันเนี่ยมันไม่เห็นไม่เหมือนกันนะครับอาทำให้ไม่เหมือนกันนะ่ะขณะ<น>ที่คนเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นมันก็ต้องมีสองส่วนแล้วเราควรจะทําไงต่อไปครับก็เป็นความจริงไม่ต้องทำอะไร ตอนที่เรานั่งสมาธิเราไม่ต้องการทําอะไรนอกจากการหยุดใจหยุดความคิดให้ใจเราสงบมีความสุขนะแต่มันได้แค่หนึ่งถึงสองวินาทีเท่านั้นนะครับอ๋อก็นั้นเพราะมันนั่งไม่นานเนี่ยสติมันไม่มีกําลังถ้ามีกําลังเขานั่งได้เป็นหลายสิบนาทีเป็นชั่วโมงยังต้องพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วให้นั่งได้นานๆเพราะความสุขมันอยู่ที่ตรงนั้นแ่ะอยู่ที่ความสงบ ถ้าเรานั่งสมาธิได้นานต่อไปเราก็ไม่ต้องไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็มนไม่ต้องไปหาเงินสบายอยากจะมีความสุขก็นั่งสมาธิแต่ตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยได้อีกเลยก็คุณไม่นั่งต่อไม่ฝึกต่อไม่ฝึกสติออกมาแล้วคุณก็ต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็กลับไปนั่งนั่งทุกวันนั่งบ่อ ย, อยๆ นั่งวันลาหลายๆๆชั่วโมงหลายข้าครั้งมันถึงจะได้ขอบคุณครับ อ, อันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการไปไปทดลองยากินหนเดียวแล้วก็ไม่กินอีกแต่ผมก็ทำอยู่ทุกวันนะทำไม่ถูกทำแบบใจลอยทำแบบไม่มีสติมันต้องควบคุมความคิดควบคุมความอยาก ไม่คิดไม่อะไรต่างๆให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวหรือท่านั่งก็ถ้าใช้ลมก็ต้องอยู่กับลมไปอย่างเดียวลางทําต่อไปเดี๋ยวก็ได้เองครับส่งกับมีใครอยากจะถามไหมใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาไม่มีก็เอาทางบ้านเข้ามา คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณพรพิมลการที่คนฆ่าตัวตายแล้วยังเขียนจดหมายอาฆาตคนโน้นคนนี้อยู่คําอาฆาตจะสำํำลิดผลไหมคะแล้วคนผู้นั้นจะบาปเพิ่มไหมคะคําอาฆาตก็แสดงว่าเขาอยากจะตามมาจองล้างจองผานต่อเกี่ยวกันเมื่อไหร่ก็สานกันเมื่อนั้นออออส่วนถ้ายังไม่ได้ไปทําร้ายใครก็ยังไม่มีผลแต่อย่างใด จะมีผลต่อเมื่อเราไปทําร้ายเขาการอาฆาตพยาบาทเป็นการผูกใจเราให้ต้องคิดอยู่กับเรื่องที่จะไปทําร้ายเขาเท่านั้นมันก็ทําให้ใจเราไม่มีความสงบนั่งสมาธิก็จิตก็จะไม่มีวันสงบเพราะความอาฆาตพยาบาทท่านถึงสอนให้เจริญเมตตาเวลามีความอาฆาตพยาบาทนั่งสมาธิแล้วใจมันไม่ยอมนิ่ง มันจะคิดแต่จะทำร้ายเขาจะทำร้ายเขาอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็ต้องแผ่เมตตาให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันถือว่าผ่านไปแล้วจบไปแล้วเขาทำแล้วมันก็ผ่านไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเราปล่อยได้ใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติไม่ผูกพยาบาทแล้วใจเราก็จะเย็นจะสบายขึ้นมา คำถามจากคุณพนมพรค่ะการสวดพระอภิธรรมในงานศพคนที่ตายไปแล้วจะได้รับอ น, นิสงฆ์ไหมครับบางงานเห็นเขาจัดสวดทีละห ล, หลายรอบและหลา ย, ลายวันครับคนตายไม่ได้ไรแล้วที่สวดนี่สวดให้คนเป็นแต่คนเป็นที่ว่าสวดให้คนตายคนเป็นก็เลยไม่ฟังกันก็เลยไม่ได้ทั้งคนเป็นทั้งคนตายคนตายมันไม่ได้ยินสวงางมันก็ไม่ได้ยิน ไปเคาะลงยังไงมันก็ไม่ได้ยินคนตายนี่ถือว่าจบแล้วเขาทําอะไรไม่ได้แล้วในโลกนี้เป็นเวลาที่เขาไปรับผลบุญผลบาปของเขาแล้วคนที่ยังทําอะไรได้อยู่ก็คือคนเป็นถ้าตั้งใจฟังถ้าฟังไม่รู้เรื่องแต่ตั้งใจฟังก็ยังได้สติได้สมาธิได้ความสงบถ้าฟังแล้วเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาเออ ก็สามารถเอาสติสมาธิปัญญานี่มาทําลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่อไปได้เนีคําถามจากคุณคณิษฐาค่ะการรักษาสินแปดจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ที่วัดเราสามารถทําที่บ้านได้ไหมคะถ้าเรารักษาสินได้ครบทุกข้อค่ะ ร, รักษาที่ไหนก็ได้สินอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันะ แต่มันยากง่ายต่างกันเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าอาจจะง่ายกว่าอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันอยู่ที่บ้านอาจจะมีสิ่งแวดล้อมที่มายั่วยวนกวนใจที่จะทําให้สิ้นขาดได้ง่ายกว่าเช่นมีคนกินอาหารเย็นเดี๋ยวกินอาหารโชยเข้ามาใจมันก็สู้ไม่ไหวเดี๋ยวก็ไปร่วมวงกับเขา เดี๋ยวเขาเปิดละครดูก็อยากจะดูกับเขาแต่ถ้าไปอยู่วัดอยู่ที่ไม่มีการกินอาหารเย็นไม่มีละครมันก็ทำให้ไม่มีอะไรมากวนใจมายั่วใจใจก็จะไม่ต้องไปใจก็จะสามารถรักษาศีลได้ง่ายกว่าอย่างนี้เขาถึงนิยมไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆที่สงบทางกายจากแสงสีเสียงแล้วการรักษาศีลจะง่าย คำถามจากคุณกฤิชกุลกราบเรียนพระอาจารย์ครับมีลูกชายดือ้อถือว่าเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าครับเป็นนิสัยของเขาก็เราทุกคนเกิดมาก็มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันบางคนก็นดื้อมากบางคนก็นดื้อน้อยแต่ที่ยังไม่ดื้อไม่มีแร้วเพราะมันเป็นกิเลสความดือ้อนะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นเป็นนิสัยของเขา เราก็พยายามสอนเขาไปส่วนเขาจะทำตามหรือไม่นี้เราอย่าไปกังวลถ้าเรากังวลแล้วเราจะไม่มีความสุขสอนล้วเขาไม่ทำตามเราก็จะเสียใจจะโกรธเขาหน้มามีหน้าที่สอนก็สอนไปส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาเชื่อเขาก็จะปลอดภัยเพราะเราจะสอนในสิ่งที่ดีให้กับเขาสอนให้เขาไม่กินเหล้าสอนไม่ให้เขาไปเที่ยวซ้ำสอนนี้ แต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็อยากจะไปกินเหลาไปเที่ยวซ้ำซสอนไปตามบาตามผักเดี๋ยวติดโรคอะไรมาก็ช่วยไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของเขาคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณวิชัยถ้าเคยไม่เข้าใจพ่อแม่และเคยใช้อารมณ์ไม่ดีกับพ่อแม่แต่มาสำนึกผิดจะแก้ไขสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับพ่อแม่ได้อย่างไรเจ้าคะอย่าไปทำอีกเลยพอเรารู้ว่าไม่ดีต่อไปเราก็อย่าไปทำ ส่วนอดีตมันผ่านไปแล้วเรากลับไปลบมันไม่ได้ Led. ก็ให้เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจอย่าให้มันเป็นประวัตศิศาสตร์ซ้ำรอยแล้วต่อไปเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีบทเล่วาออวันนี้คำถามน้อย เ, ออเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอคนรู้ว่ามีคำถามเดี๋ยวก็รีบส่งกันเข้ามา เราบางคนไม่อยากจะส่งเข้ามาเพราะส่งเข้ามาแล้วบางทีไม่ได้อ่านไม่ได้ถามามาแล้วเลยคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณศักชัยขอเรียนถามพระอาจารย์ผมไปขอความช่วยเหลือจากน้องชายเขาบอกว่าไม่น่าจะช่วยได้ใจผมรู้สึกโกรธมากเพราะเมื่อก่อนผมช่วยเขามาตลอดจนเขามีฐานะดีขึ้นมากกว่าผมมากผมจะวางใจอย่างไรดีครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนไง อนนี้จังการทําบุญทําทานอย่าไปหวังผลตอบแทนหวังแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตอบแทนจะเสียใจเพราะการทําบุญทําทานเราได้ผลอยู่แล้วคือความสุขใจอิ่มใจดังั้นเราอย่าไปหวังพึ่งใครที่เราเสียใจเพราะเราไปอยากให้เขาช่วยเหลือเราถ้าเราไม่อยากจะให้เขาช่วยเหลือเราเราจะไม่ทุกข์ใจถึงแม้เราจะทุกข์ทางร่างกายแต่ใจเราจะไม่ทุกข์ดังนั้นให้เรามีศักดิ์ศรี อย่าไปหวังพึ่งอะไรจากใครอย่าไปขออะไรจากใครยอมอดตายดีกว่ารับรองได้ว่าเดี๋ยวก็มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราเองถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนอย่างนี้คนที่ยอมอดตายเป็นคนที่ไม่ไปขออะไรจากใครเดี๋ยวจะมีคนยื่นความช่วยเหลือมาให้ถ้าเขาถ้าเราไปขอเขานี่เขากลัวไม่ใช่เลยขอแล้ว เ, เดี๋ยวมันจะไม่หยุดขอ ได้วันนี้แล้วเดี๋ยวพวกนี้หมดก็จะมาขอใหม่จะขออยู่เรื่อยๆแบบนี้จะไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือนะแต่ถ้าก็เห็นว่าเราอดทนอดกลันสู้กับความทุกข์ยากลาบากบนลาแข้งลาขาของตนเองไม่หวังพึ่งใครเดี๋ยวก็มีถ้าเขารู้ว่าเราเดือดร้อนเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่เพราะเขาเรียกว่าช่วยแบบนี้ไม่เสียหาย ช่วยแบบนี้จะไม่มาคอยมาเกาะมาม า, มารบกวนเขาอยู่เรื่อยๆงั้นทำตัวเราอย่าไปพึ่งใครอย่าไปขออะไรจากใครอย่าไปอยากได้อะไรจากใครอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายให้อยู่อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะผู้ใหญ่ที่บ้านอยากให้แต่งงานมีครอบครัว แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่สู้อยู่คนเดียวดีกว่าครับจะได้ใช้เวลาเรียนจะได้ใช้เวลากับการเรียนรู้และได้ปฏิบัติธรรมอิสระเราจะแนะนำให้ผู้ใหญ่เข้าใจอย่างไรดีครับ อ, อก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าเขาเข้าใจเ็าไม่ต้องมาแนะนำเราแล้วไม่ต้องไปแนะนำก็ใจใครใจมัน น, า, นาจิตตัง เขาชอบสีเขียวก็ให้เขาชอบไปเราชอบสีขาวเราก็ชอบของเราไปก็แค่นั้นเองมันเรื่องของความชอบทัศนะกะติไม่เหมือนกันเราเห็นว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขมีฝั่งมีฝามีหน้ามีตามีเกียรติเขาก็มองตรงนั้นแต่เขาไม่มองว่ามันเวลามีแล้วมันทุกข์อย่างไรวุ่นวายอย่างไรเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่เขาไม่มองเขาก็มองไปคนละมุมกัน แล้วก็อธิบายจุดยืนของเราไปก็แล้วกันส่วนก็จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้คำถามจากคุณรุ่งอรุณตอนนี้ย่อหย่อนในการปฏิบัติมากเจ้าค่ะควรทำอย่างไรดีเจ้าคะแต่ในระหว่างวันจะพยายามระลึกถึงพุทโธไว้เรื่อยเมื่อนึกได้เจ้าค่ะขอคาแนะนาด้วยค่ะเมื่อมันหย่อนก็ทาให้มันตึงซิมันยากตรงไหน มันหย่อนก็ต้องทําให้มันตึงถ้าไม่ทํามันก็ไม่ตึงเห็นไหถ้ามันไม่ทํามันยอดหย่อนก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นบังคับมันกําหนดตารางเวลาไปสิว่าเวลานี้จะต้องนั่งเวลานี้จะต้องเดินเวลานี้จะต้องฟังเทศฟังธรรมถ้ากําหนดตารางแล้วเราติดอยู่กับตามเราทําตามตารางมันก็ไม่ยอดหยอด่อนใช่ไหมโรงเรียนเขาตึงต้องมีตารางสอนไหม มีเวลาไปเรียนใช่ไหมจันถึงสุกแปดโมงถึงสี่โมงนี่ต้องมาโรงเรียนการไม่มาเดี๋ยวสอบตกสอบตกก็ถูกคัดออกจากโรงเรียนไปอันนี้ก็แบบเดียวกันเราก็ต้องสร้างตารางขึ้นมาการปฏิบัติกา ร, ร, าราประพฤติของเราก็เหมือนกับการไปโรงเรียนนั่นเอต้องมีวินัยต้องรู้จักเวลารู้จักเวลาว่า เวลานี้ควรจะทำอะไรถ้าไม่รู้ก็ต้องเขียนตารางไว้ถ้าไม่รู้ก็ไปถามคนที่เขารู้ให้เขาช่วยเขียนตารางให้หน่อยก็ได้ก็ไปศึกษาที่วัดแ่ามีการปฏิบัติทาด้วยก็ามีเวลาตารางตีสี่ตีละครังลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตอนสายก็รับประทานอาหารเสร็จก็เดินจงกรม เดินจงกรมเสร็จเมื่องก็พักสักชั่วโมงหลังจากหายแล้วเมื่อก็กลับมาไหวพ้พระสดนมนั่งสมาธิใหม่เดินจงกรมใหม่จนถึงเวลาที่จะไปทาอะไรต่อก็ทาต้องเขียนตารางไปแล้วพยายามทําตามที่ตารางมันก็จะไม่มีทางที่จะย่อหย่อนได้ค่ะคำถามจากคุณพีโก้ค่ะ พระเทวทัต ท, ที่จองเวรกับพระพุทธเจ้าเกิดจากแรงอธิษฐานจองเวรเท่าเม็ดทรายในกํามือใช่ไหมครับก็เกิดความผูกพยาบาทไงความผูกพยาบาทคิดว่ายังไงเราต้องเอามันให้ได้พอเจอกันก็เอาทันเอากันไปถ้าต้องการจะเลิกก็ต้องเลิกผูกพยาบาทให้อภัยแต่ว่า การจองเวรจองกรรมนี้ไม่มีไม่เป็นการหยุดเวรหยุดกรรมเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรจองกรรมเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรจองกรรมต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญามาสอนใจแล้วก็ต้องทำตามที่ปัญญาสอนถึงจะเลิกมีเวรมีกรรมกันได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ การสมาทานถือปฏิบัติในสัตชิกเว้นอริยบทนอนระยะเวลานึงเดือนมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะก็ไม่ได้นอนหรือจะได้ไม่ขี้เกียจจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นเพราะถ้านอนมันจะนอนยาวหรอนอนทีเจ็ดแปดชั่วโมงถ้าไม่ได้นอนถ้ามันหลับในท่านั่งเดี๋ยวสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วคอมันเมื่อยคอมันพับนอนแบบคอพับพอมัน มันนอนไม่ได้มันก็ตื่นขึ้นมามันก็ปฏิบัติทำต่อการถือในสัตชิกเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเอาเวลาจากการหลับนอนยอมทนทุกข์ยากทางลำบากทางร่างกายบ้างเพื่อจะได้สุขทางใจโดยเฉพาะคนที่เข้าปฏิบัติแบบเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเขาจะสมาทานเพราะว่ามันกาลังจะเสร็สเร็จละอีกนิดเดียวเท่านั้นเหมือนนด แข่งกำลังจะถึงหลักชายแล้วเหยียบมันลงไปนิดหนึ่งนะบีบน้ํามันออกมาให้หมดนะมันจะได้เข้าหลักชัยก่อนคนอื่นก่ออันนี้คือประโยชน์ของการที่ถือสินเนศชิกเพื่อจะได้บีบความเพียนให้มันออกมาได้อย่างเต็มที่สุดๆของความเพียนเลยไม่เอาเวลาไปหลับไปนอนถ้ามันจะนอนใกล้มันนอนในท่าหลับท่านั่งนี่พอมันหลับเดี๋ยวเดียวมันก็ตื่นขึ้นมานะ มันก็สู้ต้ตไไปไดคำถามจากทาง y o u t u ู e ค่ะจากคุณวิพระอาจารย์ขอคำแนะนำทำขอคาแนะนาทาให้จิตสงบมากๆถ้าคำบริกรรมใช้แล้วจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็หยุดคิดได้ไมล่ะถ้าไม่ใช้บริกรรมใช้คำว่าหยุดคิดได้ไม้ม บอกให้หยุดคิดเว้ยหยุดคิดหยุดคิดอย่าคิดคิดแล้วเป็นบ้างคิดแล้วไม่สงบคิดแล้วฟุ้งซ่านลองท่องคาถานี้ไปดูบ้างก็ได้ถ้าใช้พุทโธแล้วมันไม่เข้ามันไม่ยอมฟังก็ลองใช้ภาษาที่มันฟังดูกิเลสมันอาจจะไม่เข้าใจว่าพุทโธหมายความว่าอย่างไงมันก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ลองใช้ภาษาไทยดูก็ได้ คิดอย่าคิดคิดแล้ว เ, เป็นบ้าคิดแล้วฟุ้งซ่านคิดแล้วไม่สงบคิดแล้วไม่มีความสุขลองคิดอย่างนี้ไปดูก็ได้มันอาจจะหยุดคิดก็ได้คําถามจากคุณอนัญญากราบเรียนถามวิธีการเดินจงกรมที่ถูกต้องเราควรปฏิบัติอย่างไรคะก็เดินธรรมาดาเหมือนที่เราเดินชอปปิง้งนี่แหละไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าทางที่จะไปดูกระเป๋ารองเท้าดูของที่ แขวนอยู่ตามร้านแล้วก็ให้ดูที่เท้าเราไปหรือดูอยู่กับพุทโธไปเนี่ยเราไปช้อปปิ้งล้วก็ไปเดินจงกรมได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนที่เดินจงกรมไปเดินในศูนย์การค้าบ้างก็ได้ถ้าเราเดินจงกรมเป็นแทนที่จะดูของตามร้านแล้วก็ดูที่เท้าเราไปพุทโธพุทโธของเราไปคนก็ไม่รู้ว่าเรากําลังเดินจงกรมเขาคิดว่าเรากําลังช้อปปิ้งอยู่แต่ความจริงใจเราไม่ได้ช้อปปิ้งใจเรากําลังเจริญสติเดินจงกรมอยู่ การเดินจงกรมก็คือการเดินตามปกตินี่เพียงแต่ว่าเราไม่มีที่เดินมากเราก็เลยต้องทําทางเดินสักยี่สิบห้าเก้าแล้วก็เดินกลับไปกลับมาหาทางเดินที่ไหนที่เราจะเดินกลับไปกลับมาได้สั้นเกินไปมันจะเวียนหัวเดี๋ยวหมุนกลับเดี๋ยวหมุนกลับก็ให้มันยาวหน่อยขอกล่าว่าอย่างอย่างต่าก็ปรมาณยี่สิบยี่สิบห้าขั้นเก้าขึ้นไป ถ้ามีไม่มีที่ จ, จะเดินแบบที่ไหนมีที่เดินก็เดินมันไปเดินที่ลานจอดรถเดินที่ศูนย์การค้าเดินที่ไหนก็ได้ถ้าตาบดายใจเราไม่ไปสนใจกับสิ่งแวดลอ้อมสนใจอยู่กับพุทธโธสนใจอยู่กับการเดินอย่างเหลียวนี้ก็เป็นการเดินจงกรมได้เหมือนกันคำถามจากคุณด <c oughs> ีนี่ <c oughs> อยากได้บุญเยอะๆ <c oughs> ติดตัวไปชาติหน้า <c oughs> ควรทําอย่างไรคะ อยากได้อะไรเยอะๆนะบุญค่ะก็ทำซิบุญก็เหมือนเงินที่ฝากธนาคารอยากมีเงินในธนาคารเยอะๆก็ต้องเอาเงินไปฝากในธนาคารเยอะๆบุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากธนาคารพอชาตหน้ากลับมามันก็จะรอเราอยู่คำถามที่สองค่ะน้องสาวจะไปยุ่งกับคนพาลเราไม่อยากให้เขาไปยุ่งด้วยต้องทำอย่างไรคะก็บอกเขาเลยบอกคบคนพาลไม่ดี ถ้าเขาไม่เขาไมฟังเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ชีวิตของเขาเขาอยากจะทําอะไรก็เป็นสิทธิของเขาเราเป็นผู้ห่วงใ ย, ยเขาแล้วก็บอกเขาเหมือนก็บอกเขาอยากกินยานะยานี้เป็นยาพิษแต่ถ้าเขาอยากจะกินเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามตามเรื่องของเขาเราเป็นผู้บอกก็บอกไปก็จบหน้าที่ของเราไป ส่วนยขาเป็นผู้ฟังก็จะปฏิบัติตามเราหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้คำถามจากคุณสุมณ์ค่ะเวลานั่งใจไม่นิ่งจะทําอย่างไรคะก็ไม่มีสติไงอย่านั่งเฉยๆนั่งต้องพุโทโธแล้วนั่งแล้วต้องดูลมอย่างเดียวต้องมีอะไรให้ใจเกาะเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คําถามจากคุณตัวตนค่ะ ทุกๆปีลูกจะแบ่งเงินไว้ทาบุญส่วนหนึ่งไว้ทาบุญในวาระต่างๆและใช้ส่วนตัวต่างหากอีกส่วนหนึ่งตอนนี้มันดาของลูกอายุมากแล้วปีหน้าลูกมีความคิดว่าจะนำเงินทาบุญมารวมกับเงินส่วนตัวยกให้แม่ทั้งหมดอย่างนี้เราจะบาปไหมคะไม่ก็เป็นการทาบุญเหมือนกัน ทำบุญกับแม้ก็เป็นการทําบุญทําบุญกับพระก็เป็นการทําบุญทําบุญกับหมาก็เป็นการทําบุญไม่สำคัญว่าทํากับใครบุญเกิดจากการที่เราเสียสละเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปก็เรียกว่าเป็นการทําบุญไม่จำเป็นจะต้องมาวัดทํากับวัดอย่างเดียวถึงจะเป็นบุญทาที่ไหนก็เป็นบุญเพราะบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจ คำถามจากคุณชุติมาถือศีลห้าปฏิบัติธรรมโดยใช้สติพุโทโธในแต่ละวันตื่นนอนไปจนเข้านอนได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนั่งภาวนาจิต จ, จะรวมได้หรือไม่เจ้าคะเนื่องจากเนื่องจากถือศีลแปดน้อยกว่าถือศีลห้าค่ะก็ต้องลองปฏิบัติ ด, ดูสิมันจะรวมไม่รวมมันจะก็ต้องก็ต้องทนลองดูไม่ต้องลองทําดู ถ้าไม่ทำดูมานั่งคุยกันไม่ไม่ไม่รู้ว่าผลจะเกิดหรือไม่เกิดก็ลองทำดูถ้าไม่เกิดจะได้รู้ว่าสีนหน้าไม่พอต้องรักษาสีแปดถ้ารักษาสีแปดยังไม่รวมก็สติไม่พอก็ต้องเพิ่มสติตัวสำคัญก็คือตัวสติเนี่ยไม่ใช่ตัวสีน่ะแต่ตัวสีเป็นตัวสนับสนุนให้มีโอกาสได้เจริญสติถ้าไม่มีศีมันก็เดี๋ยวก็ มันก็ไปทําอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถเจริญสติได้แต่ตัวที่ต้องการจริงๆก็คือตัวสติคําถามจากคุณกริชกุลดูจิตทั้งวันว่ามีความโกโรธมีความโลภแต่รู้สึกเหนื่อยเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าไม่หยุดมันอย่าไปดูมันต้องหยุดมันเพราเวลามันโลภมันโกรธแล้วมันเหนื่อย เห็นต้องหยุดความโลภความโกรธแล้วใจจะเบาใจจะสบายมีความสุขหยุดมันก็ต้องใช้สติใช้คําบริกรรมพุทโธสวดมนต์เลือให้ใจเฝ้าดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้มันไปคิดอย่าไปดูจิตดูจิตแล้วจะเหนื่อยถ้าท่านดูจิตแล้วหยุดมันไม่ได้อย่าไปดูมันคนที่จะดูจิตได้ต้องเป็นคนที่หยุดจิตได้มีสติพอโลภ ก, ก็หยุดมันได้พอโกรธก็หยุดมันได้ เราทาให้มันไม่เกิดขึ้นมาอีกต่อไปได้ น, นั่นแหละคือวิธีดูจิตถ้าดูแล้วยังปล่อยให้มันโลภปล่อยให้มันโกรธปล่อยให้มันอะไรอยู่ก็อย่าไปดูมันไม่เกิดประโยชน์ดูดูจิตเพื่อ ห, หยุดมันทําลายความโลภความโกรธ แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือไปทําลายความโลภความโกรธก็อย่าไปดูมันดูแล้วก็ทำลายไม่ได้เหมือนให้ตํารวจไปจับผู้ร้ายแต่ไม่ให้ปืนไปตํารวจจะไปวิ่งจับผู้ร้ายผู้ร้ายมันมีปืนมันก็ยิงสวนกลับมาตายนะงั้นก่อนจะไปจับผู้ร้ายมันก็ต้องมีปืนไปก่อนกิเลส ก, ก็เป็นเหมือนผู้ร้ายถ้าเราอยากจะจับผู้ร้ายเราต้องมีสติมีปัญญาเราถึงจะสามารถจะบฆ่ากิเลสได้ ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาดูมันดูกิเลสมันก็ยิ้มเยมันก็ดีใจดูยังไงมันก็ไปทำอะไรมันไม่ได้แล้วเราก็จะเหนื่อยเพราะเราทำอะไรมันไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณเคอาค่ะการสวดมนต์ตามหนังสือที่มีบทสวดแก่พระต่างๆเช่นบทสวดหลวงปู่หลวงพ่อหรือบทสวดพระพุทธรูปต่างๆมีประโยชน์ไหมคะ ก็มีประโยชน์ตรงที่ให้เราได้ฝึกสติไงให้เราหยุดความคิดเพราะเวลาเราสวดนี้เราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จะสวดขององค์ไหนของวัดไหนก็มีมันก็ทำประโยชน์ทำให้เราได้สติเหมือนกันคำถามจากคุณเอปัจจุบันเจอเรื่องต่างๆที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจพอมีสติอยู่ กับปัจจุบันไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากได้สามารถวางได้และไม่ทุกข์เหมือนก่อนปัญหามันก็อยู่ของมันและค่อยๆ ค, ค, คลายไปตามเหตุปัจจัยต้องฝึกอะไรเพิ่มไหมคะฝึกปัญญาไงว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราไม่สามารถที่จะไป ไปเปลี่ยนแปลงหรือไปอะไรได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไปอย่าไปหนัก อ, อกหนักใจกับสิ่งต่างๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคําถามจากคุณการค่ะเวลาไปงานศพผมรู้สึกอึดอัดตื่นกลัวเป็นประจําจนไม่อยากไปงานศพอีกถ้าไม่ไปบางทีก็งานญาติญาติหรือคนนับถือกันรู้สึกเกรงใจ จะแก้จิตยอย่างไรไม่ให้มีความรู้สึกเช่นนั้นได้ครับความรู้สึกมันเกิดจากความที่เราไม่ชอบงานศพนั่นเองเราไม่ชอบคนตายนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องตายเราก็ต้องตายต่อไปเราก็ต้องเป็นศพการไปงานศพเพื่อไปแสดงความเคารพต่อผู้ตายหรือต่อยาตของพี่ของผู้ตายเราก็ต้อง บังคับใจของเราให้ไปคนอื่นก็ทำได้เราก็ต้องทำได้ให้คิดอย่างนี้ทำแล้วเป็นประโยชน์ทำแล้วเราจะได้เป็นคนที่มีจะมีความกระตันยูเห็นคนที่เขามีบุญคุณกับเราเ้าตายเราก็ไปสแสดงความกระตันยูสแสดงความเสียใจให้กับญาติพี่น้องอะไรทำนองนี้เป็นการไปทำความดีเป็นการไปทำบุญให้คิดอย่างนี้ คำถามจากคุณชานชัยค่ะทองที่ถวายเพื่อร่วมสร้างยอดเจดีกับหลวงตาโดยเงินทองประดับส่วนตัวแต่แฟนยังเสียด้อยู่เพราะเห็นความจำเป็นในการใช้เงินเลยขอลดจํานวนทองลงอยากทราบว่าบุญที่ให้ทองถวายน้อยลงไปเราจะได้บุญน้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับแน่นอนทาทองบาทนึ่งททองสิบาทนั่นจะมากกว่ากัน กินข้าวคำหนึ่งกับกินข้าวสิบคำมันไหนจะอิ่มกว่ากันการทำบุญก็เหมือนกับการให้อาหารกับใจให้น้อยมันก็อิ่มน้อยให้มากมันก็อิ่มมากคำถามจากคุณเล f โกฟ s น Line ค่ะถ้าเราใส่บาทพระที่มายืนที่ตลาดถึงเราจะเห็นท่านเหมือนจะไม่ใช่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดี อยากรู้ว่าถ้าเราใส่บาทนี้เราจะได้บุญไหมครับถ้าเราอธิษฐานว่าขอถวายข้าวนี้แก่สงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วอธิษฐานไม่อธิษฐานมันไม่เกี่ยวกันนะการให้คนไม่ว่าให้ไข่มันเราได้บุญเท่ากันหมดให้กับพระสงสาวกให้กับพระสงฆ์ที่ไม่ใช่สาวกก็เป็นการให้เหมือนกันถ้าเราให้ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ได้บุญเหมือนกัน ถ้าเราให้ด้วยมีพันธะมีมีข้ออ้างอาจจะไม่ได้บุญเพราะได้แล้วอาจจะเสียใจเพราะไปอาจจะไปคิดว่าเขาไม่ได้เป็นพระสงษาสาวกเราอยากจะให้พระสงสา v o ว e พอเราไม่ได้ให้ตามที่เราอยากเราก็จะทำให้เราแทนที่จะมีความสุขใจกับเสียใจได้ในเวลาให้ทานนีอย่าไปคิดอะไร คิดว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่เขารับของเราไปก็แล้วกันเขาจะเป็นใครไม่สำคัญแม้แต่โจรก็ให้ได้ตำรวจยังต้องเลี้ยงคนที่ติดคุกเลยใช่ไหมคนที่ไปติดในคุกตัตารางเขายังต้องเลี้ยงโจรผู้ร้ายกันอยู่เพราะมันเป็นเรื่องของความมนุษยธรรมความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเราเห็นใคร้า ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราให้ความช่วยเหลือเขาเราอยากไปผูกพันว่าจะต้องเป็นคนดีคนไม่ดีจะไม่ช่วยเหลืออันนี้อันนี้หมายถึงการช่วยเหลือในเรื่องของพื้นฐานของการอยู่รอดเช่นไม่สบายก็ต้องจับไปต้องเอาไปเลี้ยงเอาไปรักษาตำรวจยิงผู้ร้ายบาดเจ็บก็ยังต้องส่งไปโรงพยาบาลไม่ใช่ปล่อยให้มันเจ็บไปอย่างนั้น แต่ต้องคอยดูแลไม่ให้มันไปทำร้ายไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนั้นการให้มันบุญบุญทั้งนั้นนะไม่ว่าคนรับจะเป็นใครถ้าเราให้โดยที่ไม่ไปไปตั้งข้อแม้ถ้าตั้งข้อแม้เดี๋ยวมันไม่ได้ทังที่เราตั้งมันก็จะไม่ได้บุญเพราะใจเราจะไม่สุขก็เหมือนกับเราเอาเงินไปซื้อของมันก็เป็นเหมือนกับการไปตั้งข้อแม้ว่าฉันให้เงินเธอเธอต้องให้ของฉันกลับมา อันนี้มันก็ไม่เป็นบุญแล้วเป็นการซื้อขา ย, ยางั้นการทำบุญนี้เราไม่ต้องการรับอะไรจากใครเราต้องการให้ต้องการช่วยเหลือเขาเข า, เ, เขาจะดีเ ข, ะดเขาจะไม่เขาจะเป็นอะไรแม้แต่หมาเรายังให้ได้แล้วทำไมคนนีให้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากถ้าคิดมากเดี๋ยวมันจะทำบุญไม่ได้มันจะหาพระอริยสงฆ์ไม่ได้พระอรียสงฆ์นี่เหมือนเขากเขาวัวเขาควายรู้ไ พระที่ไม่แชริยสง์เหมือนขนวัวขนควายเนี่ยวัวควายตัวมันมีเขาสเกียนนะถ้าจะไปคอยหาพระอริยสงฆ์ทําบุญเราจะไปหาที่ไหนอส่วนใหญ่พระอริยสงฆ์ท่านก็ไม่มาอยู่ตามบ้านตามเมืองกันนะท่านมักจะไปอยู่ที่กันดารไปอยู่ที่ห่างไกลจากบ้านจากเมืองกัน่ะคําถามจากคุณวีรีค่ะคําถามสุดท้ายน ะ, ะ, นะการที่ไม่มีเจตนาชนสุนัข จู่ๆเขาวิ่งเข้ามาในท้องรถกระบะเสียชีวิตเราบาปมากน้อยเพียงใดคะแต่ก่อนตายเขาทรมานลูกเห็นเขาดิ้นมีความรู้สึกว่าสงสารมากรู้สึกผิดมากแต่ลูกมองไม่เห็นเขาจริงๆคะ่ะอย่างนี้เขาจะโกรธแค้นลูกไหมคะและผลของกรรมที่ลูกจะได้รับคืออะไรคะ ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจถือว่าเป็นอุบัติเหตุเราก็อาจจะเจออุบัติเหตุก็ได้กลับไปแล้วรถมันวิ่งข้ามฟางมาชนเราตายก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่เป็นเวรเป็นกรรมอเวลารถเขาวิ่งข้ามมาชนเราตายเราคงไม่ไปโกรธเขาเพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยเป็นอุบัติเหตุ ฉันไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีการโกรธแค้นกรเครืงกันเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นอุบัติเหตุนะเอางั้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจเพารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ